เรื่องบทบาทของคณะสงฆ์ไทยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนทางการเมืองคอามไมนิ่งก็ยังไม่มีศาสนาอื่นก็ยังไม่รุนแรงอะไรต่างๆวัตถุนิยมก็ยังไม่ท่วมทับเข้ามาการครอบงาทางสติปัญญายังไม่มีเราก็รักษาการเพียงศรัทธ า, า, าอย่างสมมติว่าถ้าจะสอนโยมให้โยมมาไดายา้ย่าก ว่ ด, ดีดีกาลีในอดีตการที่ผ่านมามีข้างขางมีเยี่ยวตัวหนึ่งเข้ามาเชียวเอาไก่น้อยโฉบเอาลูกไก่ในวัดแล้วไม่ถูกลูกไก่ไปขยุ้มเอาอยาแห่งๆบินออก ไ, ไปไปทิ้งอยู่นอกวัดเมื่อเยี่ยวตัวนั้นตายไปก็เดยไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์แต่สาม า, า, ารถฟาทะวูเพราะดันั้นดันตาดุชนังไลายจงมาได้ยาวัดให้มันแปนเออเตอรเดอร์วาเขาไปหั มันจะได้บุญคอนก็เชื่อในสมัยนั้นสติปัญญายัางไม่กล้าไปไกลยังไม่ถึงยุคพุทธเปตรนองทางวิทยาศาสตร์เขาก็มาได้ย่าโว้ยแป็นเ ด, ดปนเดินบัดแต่จะเท่ในเขาฟังเขาคุยกันเขาไม่อยากจะฟังมันไม่ไพเราะหน่อยก็บอกว่าดีเตกาเล่ในอดีตการที่ผ่านมามีข้างข้าวฟุ้งหนึ่งเกาะอยู่ในเพดานทำฟังพระสวดมนต์าทยายทุกวัน ตกลงมาตายไดไปเกิดเป็นเทวาดาบนะวันค์มีวานแก้ววิมานทองตสามาราทาวเพราะฉะนั้นตัต้ตาดูชนนังร้ายจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเขาฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาก็ฟังเขาอยากจะไปเป็นเหมือนข้างข่าวในสมัยนั้นโลกยังไม่เจริญทางวิทยาศาสตร์เขาเพียงตึงศรัทธาเอาไว้ก็อยู่ได้คนก็เชื่อฟัง ทางภาคกลางกดีตีกาลีนในอดีตก่กีละดังเด้สดับมานทหานมาทางอีสานของเราก็ว่าเอคามิงปนัตมะญี่กีละดังไดย้ยินมนียังมีในกัลยาขาบหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเงานนสติกนังโยผ้ายใายห่มไหม่ปาลิกศาสตร์บนสวงตะวันเทวโลกก็มีแล เอกังสมัยยังยังมีในกาลาขาดหนึ่งสถาอันพระพุทธเจ้าแห่งเฮ้านิสิจักนางอยู่เชตวันเนในเชตวันอาลามอันเป็นของอนาถิน ท, ทิกเตตีต่างไหวทาบายแลทา่าเลยว่ากันไปอย่างเนี้ยมีอะไรก็อ้างแต่พระพุทธเจ้าจิงบงั่นเทศบ้างเพื่อมาให้คนเชื่อคนเขาก็เชื่อในสมัยนั้นเรารักษาสถ า, าไว้ได้แต่ไม่ได้สามารถสร้างให้เกิดปัญญาอะไรเลย เวลาที่ไหนคนฟังบางทียิ่งอีสานของเราหนิตั้งงานนา牡ังปากาเส้นตัวอันสตาอ่างมเบ่งเวันังานตังงานอยู่ในบ้านงานหนีอาเยี่ยมจักนาไขงานจังงานตั้งงานปุ่นนาจาณาแป้าธรรมากนาแล้วนาเป็นนาทีนุยังนาผงว่าธรรมาเพ่งน้าพ้ายอดซอยเอควรนาที่อาสนาตาจะนำจะตั้งงานตั้งงานยังไม่รู้งานไหนแนี่ยฟังนั้นไม่รู้เรื่องต้องบูถ่บูฟังจบแล้วตีข้อมุอสาถุหลับตาพริ้มได้บุญ ทั้งหมดนั้นคือการตรึงศรัทธาเขาเมื่อเขายังมีศรัทธาแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วครับเราจะตรึงศรัทธาอย่างนั้นนั่นไม่ได้ถา้ามัวตรึงกันขนาดนี้ไม่พอเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนแผนนะครับพูดแบบภาษาสมัยใหม่แบบภาษาทางทหารเขาเรียก ว, ว่าเปลี่ยนยุท ธ, ธวิธีเพื่อความเหมาะสมตามกาลเทศะและสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมเกิดสงครามระหว่างไทยกับลาวไอ้โนอง ลบกันไทยลาวอ้ายนองเกิดข่าฟันลันแทงตีบีบวยกันบอนนี่ถานนี้วิทยุกระจายเสียงสาธารณาราประชาที่ประเประทาชนลาวเปิดข่าวทุกวังผมเปิดของสถานีเลยฟังไทยพูดบางฟังลาวพูดบางพี่กับน้องเขาทะเลาะกันไอ้เยาลาวขึ้นไปก่อนแล้วที่บ้านล่มเกล้านะครับที่เนินหนะึ่งสี่สองแปดนะไอ้เจา้านอลาวเขาก็ขึ้นไปก่อนแล้วก็ไปขุดเบิรมขุดอะไรขุดเป็นรูโลบ แล้วอีกตามลาดภูเขาก็มีจะป่ายะขากับป่าไผไอ้ จ, จะพีไทยเขาก็คานขึ้นไปจะไปยิงไอ้ จ, จะน้องลาวเขาก็ตั้งปืนยิงหัวตุต้มๆเพราะเขาอยู่ข้าวบนนี่เขามองเห็นแล้วคุณเบอร์ไม่เรียบร้อยยุทธวิธีเขาดีกว่าแต่แล้วอาจจะไทยบอกว่าสองวันจะมีข่าวดีมาบอกจะยุทที่ไหนได้ฟาดกันไปสองเดือนยังทาอะไรอน้องลาวไม่ได้แต่ก็ต่ายกันไปทั้งคู่นั่นแหละลําบากมากทีนี้ไอ้ผมนี่มันซอกแซก เช้าผมตื่นนั่งตีสามนั่งสมาธิเนี่ยพระเนนตื่นตีสามน่ะนั่งสมาธิกันไปจนนุน่นตีสี่ครึ่งแล้วก็สวดม น, นต์แปลจนสว่างส่วนผมนั่นก็จนสว่างผมมาแล้วผมเปิดวิทยุฟังลาวกับไทยพี่น้องเขาทะเลาะ ก, กันวายยังไงอาจจะไทยนี่ก็เปลี่ยนยุทธวิธีเรื่อยสู้ไม่ได้เพราะคุยว่าจะเอาชนะยังไงมาเอาชนะไม่ได้ เขาได้เปรียบทางยุทธภูมิก่อนเขาขึ้นไปขุดเบิรมขุดรูอยู่ซะก่อนแล้วเป็นคนรู้ไปแล้วปีท้ายยิงไปที่เอาเครื่องบินขึ้นไปทิ้งระเบิดมัดบุกมันไม่ได้มันเข้าไปอยู่ในรูทีนี้ถ้าจะขานขึ้นไปก็ป่าไผ่ยญ้าคามันมองไม่เห็นมีแต่เขาเห็นก่อนเขาซัดก่อนและในที่สุดพี่ทายก็บอกว่าเปลี่ยนยุทธวิธีเอาระเบิดนาตามไปทิ้งให้มันไหมป่าไผ่ไม่หญ้าคามันจะเห็นเต็มเตียยิ่งเดิขึ้นไปยิงกับน้องรามันเท่านั้น ไอ้ทางโน้แล้วก็ออกข่าวโอ้ยป่าไม้เขียวอุมทุม่มพวกพฏิกามขวรจะไทยพวกพันกามัวจะไท ย, ยได้เอาเครื่องบินไปบินเวิเวงต้นไม้เขียวอุมทุม่มบันนี่แดงตายจั ง, ง้างวาสันพราะมันลึกลัาิดนะครับเขาบอกว่าเมื่อเตะตาวขาว้วจะต้องไปซ่อมป่าไม้ ก็ที่นี่ว่าแอดมิน istration policy ก็ฟาดไปหัวเลาอไปร้องสารทันไปดังลาวดั้งไอ้ดังน้องมันบ้าเลยมันลบกันค่ากันทําไมเเ <c oughs> บียดยุทธวิธีเอาละครับอันนี้ยุทธวิธีมันท้เป็นภาษาทหารคือการลบมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับการละเทศสะสิ่งแวดล้อมสาภาพเป็นอยู่สาภาพแวดล้อมมันเป็นยังไง เกีกับศาสนาก็เหมือนกันนะครับบทบาทของเราแต่ก่อนโน้นอครูบาอาจารย์ท่านในบุกเบิกไพลโอนียนั้นท่านเอาปัญญาอันแหลมคงเข้าไปไปชนะวาทะตรงกันข้ามจนผู้ศาสนาโดดเด่นต่อมาเมื่อผู้ศาสนาเจริญแล้วมีคนเคารพนับถือแล้วเกิดสถาบันโบสถ์วิหารลานปเจ ด, ดีอล拉อัลลามขึ้นมาก็ได้เปลี่ยนแปลงยุทธวิธีใหม่มารักษาสถาเมื่อเขามีสถานแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วเขามาหาก็นอนรออาราธนานอนรับคําปรึกษา แต่เดืนนี้จะมานอนรออ阿 า, าธนาไม่ได้อีกแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนแผนยุทธวิ ธ, ธีอีกแล้วคือจะต้องเดินออกไปหาไม่จะนอนร อ, อาราธนาเด๋ยนนี้มิฉะนั้นเราจะถูกครอบงำทางสติปัญญา The move been d e s i g n a t e on intellect u a l l ้ว e ป before become political นะักในะการเมืองก็บอกว่าการยึดครองทางสติปัญญาคือเนวหนะ้าของการยึดครองทางการเมือง เดี๋นี้เราถูกยึดครองถูกครอบงาทางสติปัญญาไม่มีสมัยไหนที่จะถูกครอบงาทางสติปัญญาเท่ากับสมัยนี้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งในแยนอนเปิดออกมาแล้วกวิทยุมันครอบงาแล้วโทรทัศน์มันครอบงาแล้วแป๊ปซี่ดีที่สุดแต่คุณไปถามเด็กว่าอะไรดีที่สุดเด็กก็จะบอกว่าเ ป, ป๊บซี่เยครอบงาทางสติปัญญาแท น, นที่จะมีสติปัญญามันถูกครอบงำด้วยกิเลสโลภะโทสะโมหะเปิดวิทยุแ ป, ป๊บรักสุขขอบฟ้าว่าเงัน รักหนีเพื่อเธอทะเลลืออิ่มจากบทประพันธ์ของอ่อนสอนเสนีบุตรปะเกะเก้าศูนย์เก้าสนออะไรต่างๆมันเปิดฟังมันครอบงำจิตใจมันเชื่อเข้าไปเชื่อเข้าไปมันอยากจะเป็นพระเองแต่นี้พอหมุนไปถูกเทศวันพระตันเจ้าฟ้าเจ้าคุณผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเทศนมโมนด์ซอมประวัตตัวห่าตัวแทบลดเขาดับ่วยเร้าๆนั่นเทศจะไปฟังเนี่ยไหม เตติามันถูกครอบงำหมดแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะฟังเทศดูวิดีโอดูโทรทัศน์รายการโ น, น้นรายการนี้เดี๋ยวโฆษณานหนุ่มน้อยหอมน้อยเจเวบเจ้าภาพทำตามมันวันยังจะมันฝันต่อครอบงำแม้กระทั้งวัดพระเนรก็มีโทรทัศน์เตาสาบลาเปิดดูแลว้วก็ฝันต่อไปอยากจะสึกนับนิ้วมือนิ้ ว, วตีนรอคอยเพราะมันยั่วยวนกว น, วนจิตสติมีเลยอิโ ม, มชันเนียมันครอบงำกันขนาดนี้ แล้วเราจะมาหมอดีเตกาเลเอกสมิงปนสมันยนี้ยังได้ยินไหมยังมีในกาลาขามหนึ่งสถาอันว่ัปพุตตะเจ้าแห่งเขามานี่เฮียมจะไขอันแดงอันตั้งอันปุนอันสารอนเปรอาธรรมกวนนันแล้วเป็นที่อยู่ยังฝูงโอยเทศผู้ดเดียวเดอขานหน่อยบ่ได้ฟังนําเจ้าแล้วเข้าไปทางอื่นเนี่ยก็จะฟังทําไมเราต้องเปลี่ยนแผนขอไม่นิดเขาใช้แผนแต่ก่อนเขาบอกว่าจากวนาสูนครป่าล้อมเมือง เมืองโน้นเมืองนี้ป่านโน้นป่านนี้ขุนเขาโน้นขุนเขาดีมีคอามไม่ดีเต็มไปหมดล้อมเมืองเอาไว้วันนึงจะ น, นัดกันลุกคืนมายึดมันทั้งบ้านทั้งเมืองเราก็ใช้แผนป่าเขาใช้แผนป่าล้อมเมืองเราก็การทหารนำการเมืองเอาแล้วตาต่อ ต, ตาฟันต่อฟันเมืองมอีที่ไหนลุย นีการเข็นฆ่ากันผูผ่านร้องไห้น้ำของจะเป็นสายเลือดจากปฏิบัติการป่าล้อมเมืองกับการปฏิบัติการการถานนาการเมืองมันก็ได้ฆ่ากันในที่สุกคอบนี้ก็โอ๊ตโ อ, โ อ, โอเจ็บปวดเว่ตายในสุดเขาก็เปลี่ยนแผนอีกเมือ ง, องล้อมป่าฆ่าไปโจเมืองปฏิบัติการทางสติปัญญาในเมืองดีกว่าเนี่ยเอาเมืองล้อมป่าจากวานาสู่นครจานนครสู่วานาเราก็เปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ปุ๊บเหมือนกันยุทธวิธี จากการทหารนำการเมืองทีนี้มาเล่นการเมืองนำการทหารหยุดหยุดการใช้กําลังมันป่าล้อมเมืองเราการทหารนำการเมืองมันเมืองล้อมป่าเราการเมืองนำการทหารแห่เดินก็ไปหาประชาชนสร้างเขื่อนน้ําเก็บน้ําคูคลองทําความเข้าใจกับประชาชนสร้างกองหลูกเชือ้อชาวบ้านทอซอปอชอขึ้นมาอบรมเป็นดินทําเป็นดินทองแหนในดีสตรีคอมเมดี้ก็เข้ามา มอบเหนือมอบโดยนี้มันต้องถูกฟ้าถูกตัวกาละเทศะจากป่าล้อมเมืองมาสู่เมืองล้อมป่าจากการทหารนำการเมืองก็มาเป็นการเมืองนำการทหารมานเมืองเข้าสู่ภาวะปกติเราก็เหมือนกันจากการนำปัญญาเข้าไปสู่ประชาชนจนประชาชนยอมรับสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาในที่สุดก็น อ, นอนรออาราธนาตรึงศรัทธาเอาไว้ วัดนี้ไม่ไหวโลกจเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลจะมาเทศา น, นิสงเป็นหาเป็นกลับเต็มก่องอย่างเก่าไม่ได้โลกจเจริญทางวิทยาศาสตร์เขาเรียนเมืองนอกมามีความรู้มากแล้วป่าสอง์องจ้าจะมาตึงศรัทธาไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องเอาปัญญานำศรัทธาซ้อนนี่เขามีสติปัญญาท้าทายต่อการที่สูจน์วันก่อนนะครับวันที่แปดเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปป า, าทกกาธรรมที่วัดมหาธาตุ ที่ตําหนักสมเด็จวันนั้นทําบุญร้อยวันของพระเดชพรุณท่านพระธรรมทีโรราชมหาโมนีเนี่ยผมไปปธาธกถาที่นั่นเมื่อจบแล้วก็เลยไปต่อที่วัดไตรมิตรคือมีลูกศิษย์นิมนต์ไปที่นั่นแล้วก็มีปัญญาชนมาทําบุญนะครับคนนั้นก็เรียนจบมาจากนฝรั่งเศสจากอังกฤษนาตานี้มากระเมียมาทําบุญมาถวายสังฆทานผมนี่แหละแกถวายแล้วแกก็ขอสิน มีพระเป็นผู้นําขอสินผมก็ตั้งนโมดสาภกวัตโ ต, ร, โต ร, ระหัโตสัมมาสัมพุทธัก็ว่าแกจําไม่ได้แกบว่าจําไม่ได้นโมดศาภว่ามันยาวนี่เห็นไหมครับปัญญาชนเขายัางเชื่อถือทางศาสนาเรามี ม, มีมีสถ า, ายอยู่สถานในสติปัญญาแต่เขาเข้าไม่ถึงพิธีกรรมอะไรต่างๆจะไปตรึงเขาเพียงพิธีกรรมนั้นไม่อยู่ซะแล้วเขามีโอกาสไปศึกษามเมืองนอก แต่เขาไม่มีโอกาสเรียนไม่กระทังนโมเดี๋ยวนี้นะความเจริญทางโลกเนี่ยโกองคอร้องเพลงชาโดงเลี้ยงหูฟังโชปาโนอีทีพีโซตัง้งนมโกมก็ไม่จบซ่อนหน้าไหนในไตรภพนิสิตหายใจเป็นท่านในที่สุดผมบอกโอ้เนี่ยเขามีสถาเหมือนกันเขามีปัญญาทางโลกแต่เขาขาดปัญญาทางธรรมสตาเขายังมีอยู่จะไปตั้งนมโมยาวๆเขาจำไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนแผนเหมือนกัน ผมก็เปลี่ยนยุทธวิธีพึ่งจะเปลี่ยนยังไงเหรอแมแทนนี่โมดเนาะโบตสาประกวั โ, กวต โ, โตลาหโตสัมาสัมพุทตซาเขาบอกเขาจำไม่ได้พูดเร็วครั้งมันยาวเขาก็เลยเอาใหม่ผู้ภาษาไทยเลยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจา้าเขาก็ว่าตามขอนอบน้อมแ ด, พดม่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิ ง, พงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองแกก็พูดได้ภาษาไทยนี่แล้วฮู้ดัง พุทธังสารนังกจามีผมไม่ปวดข้าขพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกข้าพเจ้าขอเข้าถึงประธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอเข้าถึงพระสง์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพอถึงปานาทิ่ปาตาเวลมณีสิครัประธานสมาธิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มี รมปานผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้อาทิ น, นาทานาเวนบินิคาปเจ้าขอสมาทานงดเว้นการถือเอาสิ่งของที่คนอื่นเขาไม่ได้ให้ที่มีเจ้าของอยู่เพราะว่าปตาไทยป่อป่อป่องเขาก็รับไปเขาเรียบร้อยไม่เห็นมีอะไรแหละครับและประเทศเนี่ยเขาฟังยังถวายกันเทศอีกด้วยตั้งพันหนึ่งเอามานซื้อสังกสีมงหลังคาใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์แล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราเรียกว่าปรับแผนยุทธวิธี เอาตรึงศรัทธาไว้ประโยชนต้องเอาปัญญาหนำหน้าเดี๋ยวนี้เราถูกครอบงาทางสติปัญญาไม่มีสมัยใดแล้วครับศาสนาอื่นนะครับเขาเคยถือเอาพระเจ้าเอาศรัทธาหนำหน้าตรึงสถานถึงขนาดว่าสร้างสารอินคุชชั่นขึ้นมานะครับถ้าใครไม่เชื่อเอาขึ้นสารแต่ไม่เชื่อตามคำพีที่สอนนั้นคุณจะต้องพิจารณาใหม่กับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีซะท่าหาคุณไม่กลับ นะคุณจะต้องถูกเผาทั้งเป็นฝังทั้งเป็นเขาตึงขนาดนั่นตถารจตนาที่ ท, ที่ที่มีพระเจ้าที่ตึงตาในประเทศกรีกนักป่าคนหนึ่งชื่ออันนักราโกราตนักป่าตะชาวกรีแต่ลูกขึ้นยืนเลยก็บอกว่าไอพระอาทิตย์อเทิตย์เนี่ยไม่ใช่พระจงพระเจ้าโอลิซกโอริซิดอา์ไฮโลกไม่ใช่พระจงพระเจ้าดินไหำสร้างมันเกิดมาจากธรรมชาติมันเป็นรูปไฟดวงหนึงเท่านั้นอย่าไปหาเชื่อ แม่ประชาชนแต่คือเลยหมอนี่พูดไม่ฟังเสียงเลยตามความดีประชจ้าในที่สุดก็ถกขึ้นศาลอิงฟิลิสซึ่จะเอาแกไปเผาทั้งเป็นฟังนึงแกบอกยอมเผาก็ได้ฟังก็ได้แต่คนอื่นเขาจะได้รู้ว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะนี่บันเกิดมาเองตามกฎของธรรมชาติของเราแล้วก็ไม่ใช่พระจงพระเจ้าโอริซอกลีซิต อ, อ, อะไรหรอกนี่มันเป็นเพียงลูกไฟดวงใจใหญ่นะในนิสุดประชาชนเกาะ ลุกเือไม่เห็นพร้อมคัดค้านแกไว้ช่วยแกไว้นะในสต่คัดค้านแกช่วยไว้ไม่ให้แกถูกเผาถูกฝังแกแก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้โลกก็รู้แล้วเป็นดังที่แกพูดจริง ๆ, ๆเห็นไหมคนจริงมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ถูกแล้วแหละที่ไอสไตน์แกบอกว่าจะต้องมีศาสนาเดียวเป็นศาสนาสากลอะคอสมิกลิลิยันเห็นไหมต้องเป็นศาสนาที่ท้าทายต่อระบบวิทยาศาสตร์ได้ในที่สุด ศาสนาที่มีพระเจ้าที่ตึงศรัทธาเขาก็ได้เปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแผนแล้วเขาก็มาเอาทางปัญญาเขาพยายามศึกษาพยายามวิเคราะห์อย่างเอาง่ายๆอย่างศาสนาอืมที่มีพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาวิเคราะห์ศาสนาพุทธของเราแล้วเขาไปวิเคราะห์ศาสนาอื่นเองเหมือนกันโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยเขาวางแผนวิเคราะห์เรื่องปฏิจส ม, มุบาตไตรรัตนสิณสมาธิปัญญาอริยสัจสี่มังมีองแปดอีทัพปิยญาต อิทัปปิยะ ต, ตาตาทัตตาวิตตทัตตาอานัญญาทตตาลักคำคำต่างสอนที่ละเอียดที่สูงสุดในทางพุทธาเขาศึกษาศึกษาเสร็จแล้วเขาก็ยัดไส้ยัดไส้ว่านี่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเห็นดิ์มาจากพระเจ้าจากองค์การของพระเจ้าได้มอบให้เขาน่าเห็นไหมยัดไส้แล้วพวกเราไม่รู้ซ้า อ, อิทัพเ ย, ยตาคืออะไรต า, าตาคืออะไรอวิตาทตาตาคืออะไรอนัญญาตาตาคืออะไรระบบปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรอันเป็นหลักธรรมฉันส่งอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในพุทธเจ้าค้นพบมาแต่สรุลมาสอนพวกเราเนี่ยเราไม่รู้เลียนกันท่องจนน้ำลายฟูมปากไม่เข้าใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแล้วก็มายุให้แต่โยมทานทําบุญอย่างเดียวตรึงทถาไม่พอเดี๋ยนี้เราถูกข้อมําทางปัญญาซะแล้วแทนที่หัวใจคําสั่งสอนทางพุทธานสทง กลับไปอยู่ในศาสนาเอื่นว่าเป็นอบทที่พระเจ้ามอบให้เป็นกฎที่พุทธเจ้ามอบให้ดลบันดานให้ให้พระพุทธเจ้าเล่ารู้ศาสนาพุทธไดนล้มละลายในประเทศอินเดียก็เพราะเหตุ น, นี้เมื่อพศประมาณหนึ่งพันปีกว่าๆนักบวชจงต่างจากศาสนาพรามณ์ชื่อสังฆราจารยในสังฆราจาในีเป็นนักบวช ท, ที่มีปัญญาปาเปิด ม, มากแกเข้ามาศึกษาค้นคว้าศาสนาพุทธเจาะคําสอนศาสนาพุทธมากๆในที่สุดแล้ว คนชาวอินเดียมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาคือพนักบื่อก็ตรึงแต่ศรัทธาเอาไว้ไม่สอนให้เขามีปัญญาสูงสงคนอื่นที่เขาไม่หวังดีเขาก็มาศึกษาศษาสนาพุทธเมื่อศึกษาแล้วเอาคําสอนชั้นดีของศาสนาพุทธไว้ก่อนแล้วเอาคำสอนข้อนี้นยัดใส่เขาก็มาเขียนตําลาขึ้นมาอย่างเรื่องการอ่าพวก สะัดดอกเคาะเสริมสันเนเสริมมงคลอย่างนี้ต่ออายุสัดดอเคาะรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักมะมเซกาบ้านเขื่องรางของแข็งหนังท่้งนในไส ย, ยศาสตร์อันเป็นคำสอนในทางศาสน า, าพาพ เขาก็เอามายัดไส้เป็นคําสอนศาสนาพุทว่าพุทธเจ้าทําอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราไม่รู้ศาสนาของเราที่แท้จริงคําสอนที่แท้จริงเรามีแต่ศรัทธาเมื่อเขาสอนอย่างนี้ก็หลงเชื่อกันหมดในที่ศึกศาศสนาพุทธปนผามกลามาเป็นฮินดูทําลายศาสนาพุทธสิ้นสร้างในอินเดียเห็นไหมที่นักการเมืองก็บอกว่า the movement that began on i n t e l l e c t u a l l e v e l before become political การยึดครองทางอ่าสติปัญญาเป็นแนวหน้าของการยึดครองทางการเมืองมันแน่นอนที่สดุด พระพุทธเจ้าทั่งก็พูดตาตานิกร ม, มานิกโรติโมหาคนทั้งหลายเขาทำชั่วทำบาปเพราะความโง่เพราะเขาไม่รู้เนี่ยอันโทยะถาโชติมทิเถยะเมื่อขาดปัญญาเสแล้วก็เหมือนคนตาบอดเหยียบลงไปได้เมื่อไฟที่สองถังเราขาดปัญญาคํำซ้อนอัน เมือนไฟสองทางคือคําสอนในทางพุทธศาสนาของเราถึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีตบัดนี้เรากําลังเหยียบไฟที่สองทางคือมันมืดแล้วไม่เลยถูขอ้อมงําจากอารยที่อื่นเดี๋ยวนี้รัฐิวัตถุนิยมรัฐิวัฒนธรรมทางตะวันตกลังไหลท่วมท้นกันมาเยาวชนของเรารับตูมตูมตูมตู ม, ตมลังไหลเข้ามาจนศาสนาไม่มีแรงประทะล้มคลืน เดีย๋ยวนี้ถ้าเป็นนักมวยนับแปดแล้วนะครับลุกมากําลังสลัดเรียกร้องสติเพื่อจะต่อสู้กันใหม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีบทบาทจัดปฏิวัติกรรมอบรมวิพัฒนากรรมฐ า, านบา้านโนนเบือง น, นี้ผมยังไม่ได้พักแล้วนี่นี่ม้วนกันเต็มไปหมด น, นี่ก็หน่าอนุโมทนาว่าเรากําลังเรียกร้องระดมเอากําลังแห่งธรรมเข้ามาเพื่อประจันบานเพื่อรักษาความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เดี๋ยวนี้เรากําลังรับมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าแดรคูลโควิสมอร์เดนไซแอนติฟิก ในนี้เรากําลังรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางวัตถุที่มันเข้ามาเมื่อกี้มัวเผลอแผบมัวแต่ตรึงศรัทธาถูกวัตถุนิยมถูกขอบนาทางสาติปัญญาหนังเข้ามาขอบนาวิดีโอเข้ามาขอบนำศาสน า, าอื่นเข้ามาขอบนาแม้รักกันก็วิ่งเข้ากอกันจู ก, กันชังนั้นก็ไล่ค่าไล่ฟันกันคนหนุ่มคนสาวเอาตัวอย่างเสร็จศาสตรสนาหมดแรงที่จะปะทะเหมือนน้าท่วมบ้านกระทูนฐาน้ําท่วมบ้านกระทูนชีละ คือทีแล้วสอกอย่างนี้วันหนึ่งขึ้นมาสอกหนึ่งวันหนึ่งขึ้นมาสอกหนึ่งรับรองพี่น้องชาวบ้านกระทูลเราไม่ตายแน่เขาต้องหนีได้นี่มันพรึมครึมครึมมาทีเดียวมันก้าเ็จนี่ก็เหมือนกันวัฒนธรรมตะวันตกพอเปิดประตูเมืองเนี่ยวหลังไหลทะลักออกมา ยิงการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยต่อมามาการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่รุนแรงเนี่เหมือนปล่อยไก่ออกจากคอกวิ่งไม่รู้จักที่จะอยู่จะไปตําไม้ตำลายมันได้รับอิสรภาพใหม่ลาบตูกเรีย ว, วัฒนธรรมตะวันตกหลงังหลากหลายเข้ามาศาสนายัางงงถูกกระทบกระเทือนจนหัวทิ่มหัวต่ำลุกขึ้นมายังงงงเดี๋ยวนี้กําลังตั้งหลักจะสู้นะถ้าเป็นนักมวยเราโดนนัาแปดไปแล้วรู้ไหมแต่ลุกขึ้นมาตั้งหลงังใหม่โอ้ยมีโอกาสตีตื่น ผีผอมเมือนผอมทำงานจนเหนื่อยนจนลาเนี่ยเพราะอย่างนี้อันนี้แปลว่าเราจะต้องรปเย็นแผนยุตวิถีเอาปัญญานำหน้าศรัทธาแะแล้วถ้าคนมีปัญญาแล้วมันก็จะมีศรัทธาเอง อย่างวัดของผมท่านทั้งหลายไปดูได้ผมมงด้วยย่านนะครับกระถ่มเล็กๆไม่มีฟ้าหรอกพระของเราอยู่ได้ยี่สบสามสิบรูปก็อยู่ได้อยู่คนละกระท่มกระถ่มเราไม่มีลูกที่จะมาตกเรือนตายไม่มีเบี้ยพระพุทธเจ้าท่านตัดสลูไต่โรมไม้กลางพื้นดินท่านเทศฟ้อนคนไต่โรมไม้กลางพื้นดินท่านนอนตายไต่โรมไม้กลางพื้นดิน ยังศาสนาเจริญมาถึงพวกเราพวกเราเดี๋ยวนี้โว้ยจะสร้างวัดวาอารามแข่งกันใหญ่โตปูมหินอ่อนโมเสสอะไรต่ออะไรหูนี้ยที่เขาบอกว่าทําลายเศรษฐกิจสร้างโบสถ์ขึ้นมาแต่ก่อนสร้างสรามมีอณิสงเดี๋ยวนี้ไม่มีโรงเรียนในวัดโฮตนาสร้างโบสถ์ตายไปนํามหากรุณไปอีกเจชาติโว้ยวัดใหญ่โตสร้างโบสถ์เป็นล้านๆไปลงอุโบสถกันตั้งแต่เฉพาะหน้าเข้าพรรษาสเดือนอีก9้าเดือนยกให้นกพิราบ สร้างร่งให้นกพิราบเป็นล้านๆมันเป็นอย่างนี้มันซุนสิผมเดินไปถึงอำเภออืมถึงอำเภอดอนตานนะหมู่บ้านหนึ่งแวะเข้าไปพาพระเนนแวดเข้าไปแหมหลวงพ่อองค์เดียวเท่านั้นเนนก็ไปมีมพระก็ ม, ม, มีบีโบมีอะไรฟ้าลาใหญ่โตอยู่อย่างไงแกเห็นผมแกดีใจโอ้ได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นนะ่ะอาจารย์สมภพมาแล้วแล้วให้ผมไปนอนบสถมาที่โบสนั่นนะ่ะนอนดีแล้วพระ อ, อื่นเนรอื่นผมลูกหานก็ไปกลางกด ผมคิดว่าจะไป น, นอนบอดก็ดีเมื่อกันจะได้อบรมพระในนั้นที่ไหนได้ไปกวาดกันเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จทั้งไอทั้งจามบุญตานรอบมิติขี้นกพิลาบกวาดออกมาเสร็จจะนอนก็ไม่ได้ตัวไรมันไต่กันเป็นแถวโอ้เมืองไทยมันเป็นอย่างนี่ใจบุญอย่างนี้สร้างร้านให้นกพิราบได้เป็นล้านลนแล้วถามหลวงพ่อหลวงอุ โ, อโบโสถกันไหมเนี่ยไม่ได้ลงหรอกครับนูนะ่นในหน้าพันธสัมารวมกันจึงจะค่อยได้ลงไหวงี้ดู เราหน้าจะเอาเงินจํานวนนี้ไปสร้างอย่างเอออย่างเอาบุญเอากุศลอย่างเนี้ยกินเหล้ากินยาบุญพระเวทีขา่าควายตีบตัวบุญกระถิ่นทีข้าวควายตีบตัวจางนังจังละครชิดดูละงานหนึ่งหมู่บ้านก็สองร้อครอบครัวเนี่ยทําลายเศรษฐกิจไปเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมเราก็ต้องมาเทพกันไหมว่าเอาเงินจํานวนนี้มารวมกันสร้างเป็นอ่าเงินภาษีกรอน อเป็นเงินไอ้นั่นสหัพยากรประจำหมู่บ้านเป็นกองทุนประจำหมู่บ้านจะได้สร้างสถาบันทางการเงินของท้องถิ่นขึ้นมาช่วยเหลือตนเองได้พึ่งพาตนเองได้ไปีหนึ่งเอาบุญกระถิ่นเทียบุญพระเวทที่เอาเงินจํานวนที่เอาไปจา้างหนังจ้างละคร น, นี้ลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยถึงเราไม่เอาบุญมันก็มาอยู่แล้วหมอลําเอย๋ยหนังเอ๋ยโดนตีเอย๋ยมันมาแล้ไม่มีเงินจะเสียมันแล้วเอาบุญเอาเงินจํานวนนี้เอามารวมกันเป็นเงินอกองทุนหมู่บ้านเป็นสหัพยากร อย่างนี้ปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งเราจะมีเงินกันเป็นแสนแสนอีกสักห้า 5, ปีหกปีมีเงินเป็นล้านเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ประจำท้องถิน่นต่อมามันจะมีสวัสิการประจำหมู่บ้านเึ้นมาเราซื้อของมามากๆขายราคาถูกซื้อมากราคา ที่ขายส่งมันก็ลดลงเราต้นทุนเราถูกแล้วก็ขายถูกไม่ต้องให้นายทุนหน้าเรื่อมันเอาเปรียบเรามีทุกติ้งทุกอย่างไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อตลาดไกลๆอย่างนี้สอน้เขาพึ่งพาตนเองได้อย่างนี้เอาหลักทำคําสังรร้งตอนยกตัวอย่างประเทศอื่นญี่ปุ่นเกาหลีเขาเคยทุกข์เคยยากญี่ปุ่นเคยแพ้สงครามทาไมเดี๋ยวนี้ร่ํารวยกว่าประเทศอเมริกาเพราะเขามีธรรมะในทางศาสนาเรียกว่า ท, ทิฏฐะธรรมิกะประโยชน์อุทานะเขาข่าหยัน แล้วเขาก็มีสมาชีวิตาเขาปลายันมีอารักขาเขาไม่ฝุ่มเฟือยมีกันลายานาะมิตาตาเขาไม่ได้เล่นการพนันไม่ไปคบคนชั่วคนเล่นการพนันคนกินเหล้าเมายาคนขี่เกียร์ทำงารงานคนเที่ยวกลางคืนลักษณะเหล่านี้พวกนี้มันเป็นคนชั่วประพุทธเจ้าไม่ให้ครบคนอี่บุญเขาจเจริญรุ่งเรืองเขาเคยแพ้สงครามไปใช้หนี้ทั่วโลก จนจนกรอบอยอบแยกแทบจะกินเกลือทําไมเขาลำํารกกันมาเพราะเขามีคุณธรรมในศาสนาที่ในจิตในใจของเขาเขาไม่ได้มีในวัดมีในพิธีรีตองเขามีในจิตในใจเขาก็เลยสร้างฐานะขมพวกเรานี่มีศาสนาอยู่ในวัดมีศาสนาอยู่เพียงพิธีกรรมอย่างเรื่องคนร่มคนตายทีพอตายไปตูมทีก็ฆ่าควายไปด้วยตัวหนึ่งอย่างนี่กินเหล้าเมายากันพากจะมาเทศเรื่องชีวิต เรื่องความประโยู่ไม่ฟังแล้วอยากจะฟังไปสวดยอดโมกมโนโวิญญาณธาตุญ่าต่างสามประโยชน์ต่างกานณจารามานังอนันตระตาจายนะพระจุลภาคก็ยังโง่นั่งละหูละตาสวดเงินเขาเอาใส่เกวียนไปสวดไปตามทางแต่พุตรจ่าบอกว่ธธ า, าพิสุเพิ่งทําในบทศึกษาว่าเราจักไม่สแสดงธรรมให้คนที่มีที่สวมรองเท้าฟังให้ไม่สแสดงธรรมคนที่ใส่หมวคนดี่กั่งหล่อมคนที่ถือสตราอาวุธ เขามีพั้นบดและมีพากระถางควานใส่รองเทา้าไปตั้งร่มไปพ้าก่อนนัง่งเกวียนสวดยอดมุกไอ้รู้เรื่องกันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันควรจะได้พัฒนาทางสติปัญญานำหน้าศรัทธาอีกแล้วเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์เมื่อว่าการเมืองนำการทหารทีนี้มันเขาเอาการทหารนำการเมืองหรืการเมืองนำการทหารแต่สมัยก่อนนู้นการเมืองยิ่งลึกซึ้งกว่านี้สมัยพ่อสมัยแม่เขาเอาการศาสนานำการเมืองต่างแต่ รัชการที่หนึ่งของกรุงเทพฯพอสถาปนาเป็นพระเจ้าจเป็นดินรับมูลทาพิเศะธรรมปการโต้งเลยจะอุปหัมพกยอยกศาสนาพุทธศาสนาจะปกป้องขอบเกขันทศเสมาจะรักษาประชาชนและมนตรีนั่นเห็นไหมชัดเจนว่าจะอุปหัมพกยอยกพุทธศาสนาเอาขึ้นก่อนเอาการศาสนานําการเมืองจะปกป้องขอบเกขันทศเสมานี่คือการทหารจะรักษาประชาชนและมนตรีนี่คือการเมือง แต่เอาการตาดธนานำการทหารนำการเมืองลุยเดี๋ยที่เกือบจะลืมการตาดธนาแล้วสมัยพระเจ้าตากสิงมหาราชเขียนไว้ในจารึกตากสินก็เหมือนกันอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกจากเพื่อชาติตัดธนาหวังจะไว้แผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ตัดนาพระสมณพุทธโคโดมให้ยืนยงคงข้วนห้าพันปีทางสมณะพามทีปฏิบัติแต่พอสมจเจริญสมถวิปัตนาพ่อชื่นชมฝัง เพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาพท์ตาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับชาดชาดของเราคงอยู่คู่ศาสนาพร้อมทั้งองค์กระสับติยาพระศาพท์ตาฝากไว้ให้คู่กันเห็นไหมเอาก า, ารศาสนานำงานเนืองในสมัยนู่นในสมัยโบราณของเราในอีสานนี่ก็เหมือนกันอันมาพุทธศาสตร์ลาทุกซ้าข้ามซ้อนพัวหมูสังโคขุณจังหัก้างพ่ายผืนเต้นหน้าเหน่ามีคุณผู้ประเสริฐให้ท่านเลือภูแกวปุ่นไหวดังล่าอมัดเพราะน่อยเอาไหวแอบต่างตาปุ่นดังเป็นตาขานางงามเล่าว้างไว้ องกระสัตรไทยเป็นจอมหนังหนอดและดูแฝงฝนฝนหล่นลุมทึงหดแฝงฝงตะลบอรอดเดนใดซุ่มก้นาตัดตอบเตอร์ห้อมเตญญาา่าเนี่ยเป็นยันทาแถ่ทำเนียมปูนเปียกขั้นเป็นหางบอมันไปผา ต, รตร้นตุ้มตายห้ากบอมันรากไม่มั่นของรากคือสินคือทำรากคือพระสงฆ์องค์เจ้าดูดเอาสินเอาทำเอาน้ำเอาปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลําต้นกิ่งก้านดอกใบกองกําลังทหารขบ่ายากการประชาชนทุกหมู่เราอย่างนี้เรียกว่าเอาการทหารเอาการศาสนานําการทหารนําการบ้านนําการเมืองเอาลราเป็นอันว่าบทบาทในปัจจุบันนี้ ผู้นำศาสนาจะต้องเป็นผู้นำทางปัญญาปเปลี่ยนจากการตรึงสตาเอาปัญญานำหน้าสอนเขาให้รู้ักเหตุรู้ผลรู้จักตนรู้จักระมารู้จักการรู้จักเวลาให้เขาพึ่งตนเองได้ให้เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในท้องถิ่นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะอาวาตอยู่บ้านสมพานอยู่วัดให้โยมเป็นคนนำหน้าทำอย่างเดิร์นอย่างนั้นเดิอนอยังครูทำยนะ อ, าาอย่างนี้นะอาจารย์นะชาวบ้านกับเจ้าอย่งี้ไม่เอาเราจะต้องทำให้มันทุกต้องฟังรักมันให้ร่มตีห้อยเอาครับ ขออนุโมทน า, าที่ท่านเจะนะ้าหน้าที่ได้มาเพิ่มเวลาให้พยนยามให้เอกเอาละเป็นว่าเราอยู่ต้องคู่กันถึงบทบาทในอดีตแล้วจึงจะสาวโยงมาถึงบทบาทในปัจจุบันบทบาทในอดีตก็ดังกล่าวแล้วถ้าสรงองค์เจ้าผู้นําทางศางสนามีบทบาทมากก็คือการเดินเข้าไปหาประชาชนจากป่าโซปาบ้านแล้วบ้านเหล่าจากบ้านนี้โสบ้านนั้นจากเมืองนี้โสเมืองนั้นจากที่กันไป จนเกิดผลงานเด่นชัดเมื่อประชาชนยอมรับสติปัญญาและศรัทธาเชื่อถือในปฏิปทาการประพฤติบัติจึงมีกลายมาเป็นสถาบันของบ้านของเมืองเกิดโบสถ์วัดวาอารามขึ้นมาใครก็รักใครก็ถนอมวัดวาอารามของตนเองทุกถิ่นฐานมีวัดมีเวียงมีวังมีวั ด, ม, วดมีบ้านมีวัดในที่สุดวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวแล้ว วัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นซานอาญาวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็ น, านอ า, า, นอนอาโรงมหัศศพแต่เป็นโรงมหรสลพทางเวญยานไม่ใช่โรงมหัศลศพทางกิเลสอย่าก่อนหนี้มีวัดจะมีบทบาทมากพระสองฆ์เจ้ามีบทบาทมากเลยทีเดียวจะเอาบุญจะเอาทานจะแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าอะไรต่างๆก็มาเยืมช่วยขอโอชามมายืม่ม เครื่องใช้ไม้สอยที่วัดทําเสร็จแล้วก็เอากลับคืนของอยู่ที่วัดถือว่าเป็นสาธารณสมบัติส่วนกาลางประชาชนเมื่อมีสถาบนแล้วสมัยนั้นก็พร้อมที่จะสร้างวัดสร้างวางศาลาได้ถือว่าเป็นการสร้างศาลานั้นเป็นส่วนที่มีบุญมีอุปสมากที่สุดเพาราะศาลานั้นเป็นทั้งโรงเรียน เป็นที่ลงประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันพระโรงเรียนหยดให้ประชชนชาชนมาทําบุญนะักเรียนโรงเรียนที่ว่าเห็นปฏิปทาของพระทสองฆอ์เจ้าสิ่งนั้นทํำดีซึมทราบอาบรสุดเจิบสุดใจปทบาทในสมัยนั้นดีมากนะครับในสมัยนี้เราจะเห็นได้ว่าอืมพระสงฆ์เจ้าจะผิดกันกันกบสมัยแรกๆในพศประมาณหนึ่งพันหรือประมาณทักงสองร้อยปีย้อนหลังขึ้อนไปนี้ก็เหมือนกันนะในประเทศไทยของเรา พระโซงี็ไม่ต้องเดินออกไปรับคำปรึกษาอยู่ที่วัดเวลาคนล้มคนตายเขาจะมานิมนต์แล้วก็ไปสวดไปเทศเวลามีงานมีการเข้ามานิมนต์ไปเทศไปสอนในช่วงนี้เธอเดยว่าเป็นช่วงที่รอรับคำปรึกษาอยู่ในสํานักงานพูดง่ายๆนะฮะแล้วคอยเป็นพี่เรียนทางด้านจิตใจ ในช่วงนี้บ้านเมืองสงบร่มเย็นสิ่งแวดล้อมอยังไม่เป็นพิษเป็นภัยป่าดิบดงดําป่ากว้างแผ่นดินไกาประชาชนไม่มากวันโกนวันผาาได้ยินเสียงคล้องเสียงกรองเตือนจิตสกิดใ จ, จให้ระลึกถึงบาปบุญคุณโทษวัดปว า, ารณาทับพระสงฆ์ในสมัยนี้ก็เลยสบายกันหน่อยนะครับเฉยชาข้อภัยพูดคำนี้ไม่ใช่ว่าเราไปดูโถบัมบระบุตรของเรานะครับคือรุ่นก่อนๆท่านเบิกเบิกมามาก แต่รุ่นนี้ก็เลยมารับมรดกมารับมรดกนะครับประเทศไทยของเราอุดมสมบูรณ์วัดวาอารามแสดงว่าเราจเจริญรุ่งเ ร, องเรืองมากเลยทั้งไม่เป็นเมืองขึ้นของใครอาไซอํานาจในทางพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนทุกขั้นตอนเป็นเบาเต้าหล่อล้อมดวงใจของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่โลกียะถึงโลกุตละ ผู้ฝ่ายความเจริญทางโลกพระธรรมคาสั่งสอนประสิทธิ์ประสานให้ทุกงี้ทุกหมุ่เหมือนต้นไมใ้ใหญ่ๆที่เป็นยุกเป็นยาตั้งแต่รากยันยอดดอกใบทั้งนั้นเนี่ยแต่ผู้ใฝ่ายความเจริญทางจิตใจพ้นไปจากทุกไปสู่โลกุตตะก็มีคําสั่งสอนระดับวิมุติเลยทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ในช่วงนี้เฉื่อยชาำมากนะครับเพราะว่าไม่ได้กระทบกระทือนอะไรมากนะักหนึ่งผู้สาปนะเป็นสาสน้าแห่งสติปัญญา แต่เมื่อมีคนมีสถามมากเสร็จแล้วเกิดมาเดยไม่รู้เรื่องก็ถือศาสนาพุทธ พ, พอแม่พาเถิดมาในช่วงนี้การก้าวหน้าทางสติปัญญาจึงไม่ค่อยมีฝากความไว้วางใจไว้กับพระสองฆ์เจ้าเราหมดแต่พระสอง์องค์เจ้าเมื่อเข้าให้ความไว้วางใจซะแล้วมันก็เลยไม่ต้องกระตือรือร้นรอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งอย่างนี้ยังไ ง, ง, ไงวันย่างข้ามเขาตรงมาทีนึงเกิดมาก็มาในบนพระ โตมาไปตัดตุกตัดแกะอะไรต่างๆกนผมผมไฟอะไรต่างๆอ้าวนี่มนุ์พระเก็บไข่ได้ป่วยเอาติดผ้าเอาใส่ไข่ใส่อะไรมาให้พระสวดเรียกขวัญเอื่นขวัญกงขวัญกองอะไรต่างๆวันพระวันเจ้าอุ้มลูกจูลามาวัดให้พระผูกแขนชีวิตผูกพันอยู่กับพระสององค์เจ้ากับวัดบ า, าราลอันนี้เราจะเห็นได้ว่าบทบาทนี้ยังไม่ใช่บทบาทอันเด่นชัด แต่เป็นเพียงมรดกเก่ า, กาๆสืบทอดมาจากความเชื่อถือไว้วางใจของพระเทรลานุเทละของพระสงรุ่นบุเกเบิกรุ่นภัยโอเนียรุ่นบุเกเบิกแต่รุ่นนี้รุ่นกินมูลมังสังกาหยารุ่นมรดกพูดถึงตรงนี้ผมก่อนนึกถึงการสอนวระพุทธเจ้าของเรานะฮะอยู่ในโตดหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมธายโซดอยู่ที่มังอุปริปรนานมัมาปนาฏมัจมทิกาเล่มที่ ข้สิบสองข้อที่ยี่สิบเอด 21. หน้ายี่สิเอ็ดพระพุทธเจา้าท่านเป็นห่วงเรื่องมูลมังสังขญาแต่ว่าดูความพิจิตทั้งหลายความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของเรามีต่อเธอทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่าเป็นอาหมิสทาญาตคือรับมรดกเพียงอาหมิสแต่อยู่ดีกินดีรับมรดกเพียงรักษาวัดวาอารามไว้ทั้งนั้น เธอทั้งหลายจงเป็นธรรมะทายาธารักษาโมระดกทางธรรมทางวิยัยทางสติปัญญาศินสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ไว้ในโลกนี้ความเป็นห่วงใหญ่ของเรามีแต่เธอทั้งหลายว่าทำจะไหนเนาะสาวกของเราจริงจะเป็นธรรมะทายาทผู้รับโมระดกในทางธรรมในช่วงนี้เราอย่างไม่ไม่ไม่มีบทบาทเด่นชัดที่จะรับโมระดกทางธรรมในช่วงนี้เราเพียงแต่รับมระดกทางอามิต ศรัทธาเขามีมามากในอดีตแล้วด้วยมรดกคุณตกทอดมาจากสาารัทธบาบรรพบรุษบรรพบรุษก็ศรัทธาจากบรรพพิคุกบรรพบุรุษทางศาสนาและลูกหลานก็เลยถือเสื่อมาสร้างวัดสร้างว่าให้ลูกหลานนี่มาบวชก็มาฝ่าวัดฝ่าวากันต่อไปในช่วงนี้เพียงรักษาได้เพียงศรัทธาตรึงศรัทธาเอาไว้เท่านั้นเอง ต่อมาเอกบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลโลกกว้างแผ่นดินไกลเอาแล้วฟ้ากว้างโลกไกลการไปมาหาสู่ความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีจากเรือจเจลเรือพายเรือสาเภามาเป็นเรือไฟมาเป็นเรือรบจากปืน แกปืนเพลิงมาเป็นปืนใหญ่แค่นน่อนเอาแล้วพวกฝรั่งมังค่าก็ออกล่าอานานิคมหลังจากตนเองถูกคนอื่นเบียดเบียนถูกตีจากเจนยิสคานถูกบุกจากพวกโรมันเอาไปเอามาพวกฝรั่งก็ออกล่าอานานีคมล่องเองรือทึงเต้งตามมหาสมุทรแปซิฟิกอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียยืดเป็นแท บ, แทบ ในช่วงนี้วิกฤตการณ์ของโลกเริ่มเกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่หนึงมาสู่สงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยก็หลีกลี่ยงต่อการกระทำกระทั่งนี้ไม่ได้และในช่วงนี้เองการผันแปรอย่างรุนแรงทางด้านการเมืองทางด้านสถาบันการต่างๆก็เกิดขึ้นประเทศไทยได้ต่อสู้กับอืมประเทศอาณานิคมอย่างอื่นมามากแล้วในเคยเป็นเมืองขึ้นแต่ช่วงนี้ต้องใช้สติปัญญามาก ในสมัยเด่นแค่เราจะเห็นว่าสมัยรัชกาลที่สี่มาที่ห้ามันเนี่ยอ๋อพวกฝรั่งมั่งค่าอ้ากรองเรือนํากองกําลังแสนยานุภาพติดปืนเรือปืนเข้ามาเพ่นพ่านอยู่ในอ่าวไทยของเราและยิ่งกว่านั้นเนี่ยในประเทศ อ, อื่นตกเป็นเมืองขึ้นแบบหมดแล้วอย่างลาวคาเมนเวียดนามทางตะวันออกของเราตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางตะวันตกของเราพมา่าสีลังกาอินเดีย ปากีสถานเนปาลบังกล า, าเทศทิเบตพูธานอะไรตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปหมดแล้วและทางใต้สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียอะไรต่างๆตลอดกระทั่งบูนายโตเป็นเมืองขึ้นก็หมดก็เหลือเราเท่านั้นเล็กๆที่ยืนอยา่าจิตติเราจะทํำยังไงในที่สการล่าอนณานิคมเนี่ยอ่าผลจากอิทธิพลของพวกตะวันตกมันแผ่ข้ามาเรแลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอ่า ป, ประจันบานเผชิญหน้ากับอำนาจเหล่านี้ ในที่สุดอ่าผู้นําทางบ้านเมืองของเราก็ได้มาประชุมได้มาปรึกษาเลยว่าเราอยาอยําำยังไงในการที่จะรักษาเอกราชประชาธิปไตยของเราเอาอำนาจอธิปไตยของเราไว้ได้ในช่วงนั้นยังไม่เป็นประชาธิปตไตยข้อพิเศทีนี้เราก็เลยมีการประชุมกันแล้วก็ออกมีมติเห็นพร้อมกันคือมีอยู่สามวิธีเท่านั้นที่จะรักษาอ่าประเทศชาติบ้านเมืองและเอกราชของเราไว้ได้ก็คือหนึ่ง เราจะต้องมีกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรไม่ขั้นคล้ามแก้ากา้าในทุกเหตุการณ์สถานที่มึงมาแรงมากูแรงใบตาต่อตาฟันต่อฟันรบกับมันไม่ต้องกลัวคนไทยเลือดนะครบอยู่แล้วข้อที่สองเราจะต้องดำเนินนโยบายทางการพูดแบบทันลูกทันคนทันเล่ทันเลียมข้อที่สามเราจะต้องดำเนินนโยบายอ่า แอดมิเนสเรชันบริหารประเทศชาติไทยทันสมัยแบบฝรั่งเทนิดทีลุกดาวมองข้ามดูถูกเราไม่ได้วางนั้นเทยนะในที่สุดเราก็เห็นได้ว่าการที่จะใช้กองกำลังแสนยานนภาพัปยนเกมกาประจันบานกับกองทัพมาคมมาที่มีเชี่ยวเล็กผองพกฝรั่งยังไงยังไงเราก็ แ, แพตั้งแต่ในมุง้งเราสู้เขาไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเราก็เลยใช้แผนสองกับแผนสคือ การดําเนินการทางการก ท, ทูตเถี่ทันเล่ทันเรียมทันโลกทันคนน่ารู้ให้ทันแล้วก็การพัฒนาประเทศให้ทันฝรั่งบริหารการบริหารอํานาจบริหารตัวราการอะไรต่างๆทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆให้มันทันกับฝรั่งอย่างชนิดที่ว่าเคียงบา่าเคียงไหลไม่ได้นลาสมัยกับใครเลยนี่เราก็เลยดําเนินโนโยบายนี้เรก็ต้องไปศึกษาเอาแบบของฝรั่งมา รัฐบาลไทยเริ่มส่งคนไทยหัวดีดีชั้นแนวหน้าสมองใบใบไปศึกษาเมืองฝรั่งในที่สุดไม่กี่วันคนไทยเ้าก็ปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงรั่วอำนาจตูนกลางเข้าสู่กรุงเทพภากเหนือภาคใต้ภาคอีสานเมื อ, สขของสกลนครของเราเนี่ยขึ้นไปตรงกับกรุงเทพหมดฝึกแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นดอกปอีหนึ่งเราก็จะส่งดอกไม้สวยบรรณาการบูชาอะไรต่ออะไรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปกครองกันเองอหอององัวห้าลายจะมองอะไรจะวากันไปเองแต่เด น, นี้ ต้งรวบอำนาจเข้าไปศูนย์กลางที่กรุงเทพกรุงเทพเป็นประเทศไทยทั้งหมดคล้ายๆกับว่าแบบฝรั่งก็เป็น British c o m m o n วลท์ t อ o n นชั่นเป็นเครือจักรภพของอังกฤษนี่้เป็นเครือจักรภพของกรุงเทพทุกจังหวัดนี่แหละเป็นเครือจักรภพของกรุงเทพเบรบอกเซนเทนออเท t ร์ลิตอำนาจตรงเวยงมาจากศูนย์กลางแบบฝรั่งปกครองอยังไก็องอยงั้นรังก็ปกครองอะไต่างตื่ประสทธิ์ลไปขึ้นกับอังกฤษอย่างเดียวอินเดียๆก็งไปขึ้นนู่น เราก็ทำได้แต่เราทำในรูปลักษณะนั้นเอาจังหวดต่างๆเป็นแบบนั้นแล้วการทูกการศึกษาเอาละสิทีนี้เราไปเรียนจากพรสงผู้เฉี่ยวาญจำนั้นสาขาวิชาการต่างๆกลับคือสอนในช่วงนี้แหละครับปรปเย็ยนแปลงมากบทบาทของพระสงฆ์ได้ลดผู้ภาพลงมาได้ลดบทบาทโรงเรียนได้ออกจากวัด แต่ก็มีมึกระทรวงศึกษาธิการแล้วเราก็ยุบกระทรวงศึกษาธิการเป็นอเรามีกระทรวงธรรมการเรายุบกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการที่แล้วเราก็เอาโรงเรียนออกจากวัดไปสอนกันนอกวัดบทบาทของวัดซึ่งเป็นสถาบันหลักในจิตในใจสมัยก่อนวัดเคยเป็นโรงเรียนแต่บัดนี้โรงเรียนได้ออกจากวัดไปแล้วเขาไปเรียนกันอยู่ห่างนอกแล้ว วัดเคยเป็นโรงแรมคนเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวซื้อเที่ยวขายขําที่ไหนนอนที่นั่นวัดจึงเป็นเหมือนโรงเรียนเหมือนโรงแรมเช้ามากอกยินข่าวที่วัดข่าวเช้าข่าวเพี่ยงไม่ได้ซื้อสักบาทเป็นโรงแรมชิ้นที่ว่าสวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่ได้เสียฟรีออบชา์ทุกชนิดบัดนี้ความเจริญแบบฝรั่งก็ทะลักเข้ามาเพราะเราไปศึกษาแบบนั้นโรงแรมเกิดขึ้นตามหัวเมืองต่างๆฉันดีแล้วมีที่เลี้ยงดูปูเสียจะต้องเสียเงินหน่อย ไม่มีเมียไปแต่ตัวไปนอนโรงแรมมีเมียก็ได้ออย่างั้นโรงแรมเขาออกไปจากวัดเองโรงมหาหฤทศแต่ก่อนบุญพระเวดบุญคาทินบุญขา้ญขาวสาดาบดินบุญสงการบุญปีใหม่อะไรต่างๆบุญกองข้าวบุญพระ ท, ท้ายข้าวบุญขาวจีมีหมอรองหมอลำในวัดลำเรื่องบาปบุญคุณโทษช่วงนีโรงมหาหฤก็ได้แยกออกจาก อามีลมนั่งลงละครมีเทียเตอร์มีอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแต่ที่นี่ไม่ใช่ลมมหรสยทางเวียนญาต์กายเป็นโลมมหัศรรยทางกิเลสส่งเสริมกิเลสไปเอานังฝลังมาสอนกันเนี่ยรักกันก็วิ่งรี่เขากอดกันจูบกันปัดกันนี่หนุ่มน้อยหอมน้อยโป๊ะโป๊เ ป, ป, ป, ป, ปื่อยเปื่ยชนิดคนแก่เห็นแล้วอยากจะมีอายุยืนอีกสาม 0,000 ื่นปียืนคู่แก่ฮาท่าท่าท่ า, า, า, าดูหนังเงี้ย ถ้าชังกันออกมาก็เตะกันโคมขามชักปืนออกมายิงกันชักดาบมาไล่ฟันกันเลือดท่วมจอชนิดที่เห็นแล้วทําให้เด็กหนุ่มอยากจะเป็นพระเอกมันทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมันสรงพลังพิเระเภทโลภโทสะโมหะอยู่ในตัวทําให้สาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่มาใจปามผู้หญิงผัวเผลอที่จะเป็นสาวอยู่เรื่อยเพราะนังมันสอนรถสว่าชายชู้ไม่รู้หนูอยากหลอกเห็นไหมบทบาท ของวัดตั้งเคยเป็นโมลมหอรสศพทางวิญญาณตาห้หมดหมดหมดไม่มีบทบาทโมาลมหอราศพทางกิเลสไปตั้งอยู่นอกวัดนัน่งนเข้าเอามาล่อในวัดอีกด้วยวัดกลายเป็นวิกแต่ไม่ใช่โหลหมหอรสศพทางวิญญาณกายเป็นมหอรสศพทางกิเลสเปิดออกมากอจูบลูบคากันชนิดที่พระสงฆ์องค์เจ้าเห็นแล้วอยากจะถลอกผ้าเหลืองติวศึกมันวันละสิบผนั่นเป็นยังไง แล้ในที้สุดมีครยากบวชเห้นชีวิตยอยู่ในวัดแห่งแลงวัดเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจเมื่อไม่ไปโรงเรียนแล้ววัดก็หมดบทบาทไปการสร้างศาลาก็หมดม่อมหมดเมดื่อหมดแล้วเป็นยังไงทีนี้เอาละผมจะได้พูดต่อไปนะครับในว่าขณะ น, นี้ท่านได้เพิ่มเวลาให้เองนึงชั่วโมงนี่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้น บทบาทของวัดหมดไปครั้งพัสดุหมดไปเขาไปใช้ของเขาที่อื่นได้หมดโรงพยาบาลหมดไปวัดไม่มีบทบาทแล้วก็โอเคสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปไม่เป็นไรเพอพระพุทธเจ้าท่านให้ช่วยเหลือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่จะมาทําเป็นอาชีพจริงๆปรุงยาขายเดี๋ยวนี้บางวัดก็เกิดท่าพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกว่าอันนี้เป็นการกระทําที่ผิดเลี้ยงชีวิตผิดพระพุทธเจา้าท่านถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นเดรัจฉานวิชาเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานชีพ ไม่ดีพระรงเจ้าเว้นขาดแต่ในสมัยก่อนนั้นอนุญาตเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเท่านั้นแหละนิดหน่อยทีนี่สารอาญาเขาก็เกิดขึ้นแล้วพระองค์เจ้าหมดบทบาทนะครับทุกวันนี้บทบาทของเราหมดเมื่อบทบาทหมดแล้วเป็นยังไงบทบาทในอดีตหมดเพราะแต่ก่อนเราเพียงรักษาศรัทธาเราไม่ได้สร้างปัญญาเดี๋ยวนี้ปัญญาเขาไปรับปัญญามาจากข้างนอกจากเมืองปัลลัม เราเรียนแทนที่จะหยุดวันพระเข้าไปจากข้างนอกหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แบบฝรั่งนั่นเป็นวันสปาโต ว, วันฮอลเเดย์ของฝรั่งเราก็หยุดเอาให้มันทันฝรั่งใส่เสื้อนอกผูกเคไทยใส่เสื้อมะ ก, กันเอาตัวอย่างเอาและบูชาฝรั่งเริ่มจะพูดกันไม่รู้เรื่องผู้ที่ออกประโยชนภายนอกรับการศึกษาภายนอกมาจัดระบบการศึกษาตามระบบเอนไซโครปีเดียของฝรั่งขึ้นมากๆขึ้นเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่อง การเกี่ยวข้องกันระหว่างพระทรงองค์เจ้ากับชาวบ้านระหว่างผู้นำศาสนากับชาวบ้านผู้นับถือศาสนาเป็นศาสนิบก็เลยเป็นการเกี่ยวข้องผูกพันกันเพียงด้านวัตถุมีคนตายดนตีธรณีกันแสงเน่งเน่งเน่งเน่งเเนเ่งเขึ้นก่อท่องกุสลากันไว้กลัวจะลงแล้วก็ไปเสวยกุสลลาธรรมวากุสลาธรรมานิจารวัตสังกลาปะสวาญาธรรมิโนปจิตตวานิรุชาติเตสรูปัสโบสูโคเอาเงินมาต่างคนต่างไปไม่ได้เรื่องอะไรเลยแหละครับ ดูเพื่อปร ะ, ระชาชนจะพอใจเพียงเท่านี้เพียงให้พ่อมาสวดภาษาบาลีแล้วฟังกลมๆแ ล, ล้งๆไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาเงินาวายไปเอาันทาวายไปไปแล้วเรื่องจะฟังพระเทศวุ้ยมันร้าสะมัยเขาไม่ฟังคนตายทีก็เปิดเพลงสาวสภาค า, าเกียงเม่ยลอยพี่ชายลำอย่างนี้นก็่้อยเรื่องอะไรก็จะมาฟังเทศังธรรมพอคนตายทีปับ๊บมันกนนะครับตายทีปับ๊บ เจ้ามือไฮโลก็ถือถ้วยหฮโลมารอแล้วอยากจะให้ตายวันละสิบคนจะได้เล่นกันทั้งปีทั้งชาติแล้วกินเหล้ากินยาเมาเป้นิมนทาเขาไปสวดก่อสวดไปเถอดมีคนฟังทองังของน้องนั้นมันก็เล่นเสือกินหมูเล่นมาฮอตกินเหล้ากิอะไรกันนี้นี่บทบาทของเราได้สูญเสียไปหมดแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงบทบาทนี่ผมจึงรู้สึกมีคาถามใหม่ขึ้นมามนักรประเทศจังดอย่างสิ่ี้บทบาทต่อสังคมบทัทที่ที่แน่ๆที่สุดก็คือ เมื่อคนภายนอกไปเรียนจากเมืองฝรั่งศึกษาแบบฝรั่งแบบวิทยาศาสตร์จากฝารั่งแล้วเขาก็เมินหมางศาสนาว่าศาสนาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีคือข้าคำสอนที่ใช้ไม่ได้ในการดำเนินชีวิตทําให้เกิดอาการคลั่งสี่งุ่มง่าไม่ทันคนอื่นเขาไม่ทันอยู่ไม่ทันกินต่อไปศึกษาแบบฝรั่งอะไรต่ออะไรมันเฟีย้ยวฟ้าปื้อปาไปหมดเลยไม่ที่สุดผู้ที่ศึกษาจริงๆเลยขึ้นไประดับปริญญาตีโทเอ กลับสนใจศาสนาผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมเนี่ยกลับยังไม่สนใจเพราะอะไรพอผ mm ู hmm. พอพ้ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยิ่งไปเรียนเมืองนอกก็ยิ่งจะไปพบกับดักทางผู้ศาสนาคือ mm hmm. เมืองนอกเลยนี่เขาสนใจศาสนาพุทธนะเขามีแผานเดวิน School ูลทีโอโรที่ยืตระกูลขึ้นมาศาสน า, าพุทธทาทายต่อการพิสูจน์ดังผมเก่าแล้วนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็ต้องมาศึกษาตามวิจ า, ารณ์ที่เขาค้นพบ แล้วเราก็จะไปเห็นกับดักที่พวกนักวิทยาศาสตร์เข้าเขียนเอาไว้เขายอมจำนวนเหตุผลในทางพุทธศาสนาอย่างไอสไตล์กล่าวไว้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่นะฮะที่บอกว่า the religions of the future will be a cosmic religion that transcends a n a person and god and avoid d o g m a t ี orology ศโโาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียวจะต้องเป็นศาสนาที่อยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนจะต้องเป็นศาสนาที่ปราศจากคำสอนแบบ ให้เชื่อตามแบบสำเร็จรูปโดยอ้างเทวนิยมเอาพระเจ้าเป็นหลักและาศาสนานั้นจะต้องเป็นาศาสนาที่ควบคุมได้ทั้งทางจิตใจและธรรมชาติ <c oughs> และจะต้องเป็นเกิดมาจากสํำนึกทางาศาสนาอันเกิดมาจากประสบการณ์ที่แท้จริงต่อสิ่งผันผวน alive experience of a u t h e n t i และาศาสนานั้นจะต้องควบคุมทั้งธรรมชาติและจิตใจอันเป็นหน่วยรวมอันเดียวกันเนี่ย เอสยูน <As> <As unity. S 1> เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหน่วยรวมเนี่ยจะสามารถชนิดที่ว่าไม่มีอาการคอนฟลิกต์กันสาสนานั้นจะต้องเป็นสาสนาพุทธแก่พวกอย่างเงี้ยเพราะมันท้าทยเมื่อนักศึกษาไทยเราไปเรียนเมืองนอกมาเ ม, มื่อกลับมาศรัทธาศาสน า, า ต, น, ตนเองแต่พอกลับมาบ้านจะมาศึกษามาหาพระสงฆ์องค์เจ้าคําสอนของเรากับคอนฟลิกต์กับสิ่งที่เขาศึกษาเองมันไม่ทันเขา ในขณะที่วิทยาศาสตร์เขายกย่องยงเรายังเทพกันอยู่ยากกดีเดกาเลยในอดีตการกีลาดังได้ระดับมาเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็ยังจะหมัวตรึงศรัทธาอยู่ความยิงศรัทธามันจะหมดตึงไม่ได้เดี๋ยวนี้มันจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทางแต่การเ<ม>ทศการจะทำอะไรต้องเปลี่ยนแผน ในเมื่อนะักวิทยาศาสตร์หรือ ว, วันนะักการศึกษาสมัยใหม่เขากลับมาเขาจอมรับคำสั่งสองขอพระไม่ได้เขาก็เกิดอาการเบื่อหน่ยายแท้ตอนนี้แหละครับมันอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อหัวโหลดล่ำหัวดำเทศบ่ในขณะที่ปัญญาชนเขาพูดธรรมถึงขั้นโลกุตตะละเขามองเห็นคุณค่าทางศาสนามากในจานวนหนึ่งที่เป็นปัญญาชนทางคารวะ ส่วนภาคก็ยังแบบนี้เจ้าท่านศรีพนหายเป็นเทวรามันเป็นฝ่ายยันยนต์ไปยุ่ให้เขาทานอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปยุ่งเห็นพระท่ า, ทานแลว้วเห็นท่านเท้ท่านทวดแต่พระเวทยังท่านรถเก๋งทั้งมากามานีไปยุ่งให้เขาทานแล้วตัวเองก็อ้าวเอ า, เอามีเจ้าไหลแม่พอไปฝากธนาคารนั่งรถเก๋งติดแอร์สร้างวัดในวิหารใหญ่ใหญ่างกัตา ร, าก ร, ราชวังอย่างเงี้ย มันไปผิดกันพวกวัญญาชนเขาก็ยอมรับไม่ได้แล้วถูกบีบขันทางเศรษฐกิจคนยากคนจนลังสู้ฟ้าหนนะ้าสู้ดินปางกาัดตีนถีบาแบกลังนุ่นกับไม่ได้ยืนคือไม่ไดอยู่ก็จะได้ข้าวเม็ดข้าผักเส้นเดียวแต่พระสงค์เจ้ า, อ, ง อ, งาอยู่ดียินดีบ้านไม่ได้เจ้าข้าวไม่ได้ซื้อมีรถเก๋งขี่มีโทรทัศน์มีวิดีโอดูอย่างนี้ชาวบ้านเดินมาจังหันในกินจะเป็นลมตายถ้อยู่ในป่าแหลมยังมีโทรทัศน์มีอะไรโอยอวดอ้างเขาโอ้มันสวนทางกันนะครับทีเนี้ย เกิดอาการคอนเส็กขึ้นผู้ปัญญายนชนเขามองเห็นที่เขาเอื้อมละอาเขาศึกษาเดือนนี้ณนะวันที่แปดที่ผ่านมาวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาผมไปป า, า, าทกราธรรมอบรมคมรูอำเภอชายวานแล้วก็มีครูจํานวนมากเลยครับทั้งอำเภอหาสวนนครูฮั่อมอำเภอสว่างแดนดินอำเภอบ้านแพงทั้งจังหวัดอุดร น, น้องคายสะกดนครเนีนน่ยนครพนมไลเ่เฮียงมณิมนให้ผมไปปาทกรทานในวันครูผมไม่มีเวลาพอเลยครับ และสิ่งที่ผมได้ยินไปบอกก็คือเขาป่ารบเรื่องพระเหล่านี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาขาดกูบาอาจารย์แต่นิมนต์พระมาเทศเขาเรียนจบปริญญาเขามีความรู้สูงสูงพระมาเทศยืดยาดเยีย่ยมมันไม่มีทนต่อการพิสูจน์ไหน้าฟังก็บอกว่าวันไหนนิมนต์พระให้มาพูดทางกระทรวงทางกรมวิชาการก็จะให้มีการรวมกลุ่มกันอบรมกันประชุมกลุ่มกันให้นิมนต์พระมาเทศมาสอนในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเขาบอกว่าวันไหนท้านพามาก็าโอ้ยเด้๋ยวรับการอากาศคาคักเหมือนในวันฉัน เนี <c oughs> ่งงนะครับมันไม่ทันเขาเดี๋ยวนี้บทบาทของเราไม่ทันเขาเมื่อไม่ทันเขาก็ยังเคารพนบถือเพราะว่าพาระเหลืองเหลืองนั่ั้นดีเนี่ยพาว่ามันรองรับแต่ก่อนนั้นเราอยอมรับพระว่าศาสนาเอ่นเขามีพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมาอยายในคัมภีร์เบเบินว่า we are sons of the l i v t o g h e r we must be l o v e is d in accord to the p o e พระผู้เป็นเจ้า ที่สร้างเรามาเราเป็นบทของพระเจ้าเราอยู่ด้วยกันพระเจ้าสร้างเรามาให้เราอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะทุกข์จ ะ, จะยากลาบากลําบนจะดีจะจนจะมั่งจะมีจะสวยจะขี้แหลอยู่ที่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อพวกพลังเขาไม่เชื่อ เขาบอกว่าเวียแซอว์บอลเลกรายอยู่บนขาของเราแต่ศาสนาพุทธนี่แหละมอบความไว้วังใจให้แก่เขาเพราะเป็นศาสนาที่ไม่บังคับให้เชื่อ b ิน o t l เล by report be not l e เล y hearsay be not led by t r a d i t i o n a บินโนตเลดบา a ออโตเรติออกเทกชในลักษณะของการลามมาสูตรอยาเชื่อโดยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อโดยดาวเอาเองอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบเสกันมาอย่าเชื่อโดยอ่างตำรับตาราอย่าเชื่อโดย าการเอาเองอย่าเชื่อดยผู้บุญร่มควรจะเชื่ออยาเชื่อด้วยผู้บุญนั้นเป็นครูบาอาจารย์เชื่อดังอะไรต่างๆัหมพวกพลังก็พอใจเพราะไม่บังคับเหมือนศาสนาของเขาแต่เสร็จแล้วพวกเราก็เหมือนกันเราไม่ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าแต่เรายกย่องพระว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่มีใครมาเป็นเจ้าแต่มีพระเจ้าอยู่ในหัวเว่าพระเจ้าอยู่หัว เอาพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเป็นดินมาเป็นพระเจ้าพระสงฆอย่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวในภาคอีสานในเอิ้นพระว่าเจ้าหัวเจ้าหัวมัาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวแต่เราพูดสั้นๆแล้วพูดเลไรก็เลยว่าเจ้าหัวตัวน้อยมาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวน้อยเพราะว่ายังเป็นเนยยางตัวน้อยอยู่คือยอมรับนับถือการประพฤติปฏิบัติการผูกการจาสติปัญญาอะไรต่างๆยอมรับท่านเหล่านี้เอาไว้บนก้าบนหัวดีกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้อยู่ไหนมองไม่เห็นก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัว แต่ผู้เร่รือเข้าคนนี้อะไรแบบเจ้าหัวเจ้าน้อยมาจากคำว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวน้อยแต่นี้เจ้าหัวเจ้าน้อยกับพระเจ้าอยู่หัวน้อยกับพระเจ้าอยู่หัวใหญ่ของเราคือพระสงฆ์จังอกำลังจะถูกปลดเกียเพราะว่าเดนี้เขาไปบูชาโลกงตะวันออกแล้วเอาไปเอาไปเอาามาปัญญาชมองเห็นคุณค่าศาสนาต้องมาศึกษาเองาษาปีตุกต่างๆแล้วก็มาเถียว่ลนลำาดทอย่างเงี้ยมันก็ลยเอาการคอนฟี้ายมมาเผยแผ่ธรรมมาก ถึงจะดีมีความรู้แค่ไหนก็นตามการประพปฏิบัติที่ดีอยู่ก็ตามแต่ภาวะที่เป็นจริงการยอมรับของมหาชนเขายังไม่ยอมโอ้ยอวดดียังจะบวบไปบวดว่าวมิได้เทศทำ ม, มาว่าวขึ้นแล้วบางนอนกอดเมียอยู่กินเขาแรงอยง่างสั่งบวบไปบวดอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ัด้งทั้งที่ท่านผู้นั้นเป็นคนดีนะครับดีกว่าพระผู้ง่ายๆว่าดีกว่าพระอีกจํานวนมากแต่ว่ามหาชนยังไม่ยอมรับพราเรานี่จะทํายังไงก็ตาม แต่เขายังมองเห็นผ่าเหลืองๆอยู่อย่างนี้ก็ยังเคารพเขาอย่างบูชายอยู่ครั้งที่อาจจะเน่าในเปียกแช่ไม่ประพฤติปฏิบัติสมุทเธียร์นังกงพูดณนะมุนทาเกณนฑะ์ณสมโนโบุคุณไม่ไดชื่อว่าสมณะผอหัวโลนโลนอภตโตอริกังพันนงังไม่มีศีลบัตรดีแต่พูดเปิดอผยอิชารโลภาสมาปนโนมากด้วยความโลภความอยากได้ความอิชาพยาบาทสมโนโกิงพวิสติเขาจะเป็นสมณะได้อย่างไร เนี่ยอลังกโตเจปิสมังเจเรย์ยาสันโตทันโตนิปโตภูมิมญจาริงเป็นผู้ประพฤติพรหมจันทร์อันดีอันงามไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆด้วยสีใดก็ตามแต่ยังประพฤติปฏิบัติเพื่อความสางบลำงับอยู่เป็นผู้เย็นตนิตอยู่อย่างนีิโสสมโนสะโนสะพะมะโนโสภิกขุเป็นพามก็ได้เป็นติสุก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆแต่เราก็ยังยอมรับไม่ได้นั่นมันเป็นนามธรรมาแต่มองเห็นรูปธรรมดีกว่าทีนี้พระสงฆ์ชาวเราเนี่ย ถ้าหากมีความรู้ประพฤติปฏิบัติดีงามไปพูดไปจาอะไรถึงเขายิ่งเชื่อยมากโยมมีความรู้ประพฤติปฏิบัติดีอยู่แต่ยังไม่บวชนี่แหละครับมันจึงยังรับกันไม่ได้มันติดอยู่ในรูปในแบบเพราะฉะนั้นเราผู้เลืองๆได้มีโอกาสมากเพีเดียวนะครับการที่จะนําบทบาทแต่ว่าบทบาทของเราได้สูญเสียบทบาทผู้นําในทางสติปัญญาได้สูญเสียเดี๋ยวนี้กลายเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้พัฒนา แทนที่จะเราจะมาพูดทั้งว่าผู้นําทางศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมันก็มีปัญหาใหม่ขึ้นมาว่าทํำยังไงผู้นาําศาสนาจึงจะมีบทบาทเพราะเดี๋นี้ยังไม่มีบทบาทอะไรด้วยซ้ําไปในสภาวนี้เพียงแต่รักษาระบบเก่าของเก่าเอาไว้เทนี้พอจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมพัฒนาคนอื่นการมีปัญหาซ่อนขึ้นมาในความรู้สึกว่าผู้ที่จะไปพัฒนาคนอื่น พระสรงองค์เจ้านักพัฒนาที่ยังไม่ได้พัฒนาตนเองเลยนี่ครับมันเป็นอย่างงี้ที่ทํำยังไงเอาล่ะเราได้เสียเวลากันไปอีกมากแล้วเดี๋ยวเวลามันจะหมดไปแล้วก็มาพูดถึงบทบาทที่เราควรจะเป็นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะครับภาวะปัจจุบันเขามองเราคนภายนอกเขามองประชาชนชาวบ้านปัญญาชนเขามองพระเป็นผู้เอาเปรียบสังคม มองในแง่เรษฐกิจเป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดพระของเรานี่นะครับเป็นกาฝากของสังคมเข้าว่าอย่างนี้เราอย่าเพิ่งโกหกเขานะครับให้คิดถึงพมชาลสูตรทหายากก็ไปเปิดเลยทันทันทีเลยสูตรแรกหน้าแรกของพระสูตรแรกที่คันิกายมหาวกเล่มที่เก้านะครับหาไม่ยากเวลาปัปยายา๊บจะเห็นพระพุทธเจ้าให้วางใจยังไงในขณะที่เขาดูถูก เรือในขณะที่เขาสเสนอเดี๋วนี้เขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนล้าสมัยถ้าเราเอาเปรียบชาวบ้านถ้าเราเป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดถ้าเราเป็นผู้ทําลายเศรษฐกิจมีแต่เผยแผ่เงินทองมีแต่จะสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรต่ออะไรเงินในจำรายได้ของประเทศหนึ่งในสามของรายได้เข้าประเทศมีในประเทศนี้ เ, เราเอามาสร้างสา สนะวัตถุกันมากที่สุดเขาบอกว่าอย่างนั้นเงินต้องมานอนจมอยู่ในวัดที่เป็นสาธารณาสาสาสนะวัตถุเนี่ยมากถึงขนาดว่าหนึ่งในสามของรายได้ภายในประเทศอันนี้เขาว่านะครับนักเศรษฐนักเศรษฐกิจ เ, เ, เขาว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพระเราเนี่ยเป็นคนไม่มีความรู้ด้อยพัฒนาเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจ และเป็นคนขี้เกียจเขาว่าอย่างนี้นะครับและเราก็อย่าเพิ่งกดเราก็ต้องมองดูเราและเป็นผู้มีความรู้ที่ยังไม่ได้พัฒนา